วิวาหลอนงานแต่งสยองขวัญสมัมผัสสยองย้อนกลับไปเมื่อประมาณ9้าเดือนที่แลว้วเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้านเวทดนิ่งแถวลาดพาวตอนนั้นพี่ใหม่ ทำงานเป็นผู้ช่วยอยู่ที่ร้านเวทีนิ่งวันนั้นพี่ใหม่ก็จัดโปรโมชั่นขายแพ็เกจอยู่ที่ร้านค้าเพื่อไปออกบูธ ท, ที่ห้างแถวลาดพร้าวก็มีลูกค้าผู้หญิงท่านหนึ่งเข้ามาโดยพี่ใหม่จะเรียกลูกค้าท่านนี้ว่าคุณลูกค้าตลอดเลยไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอะไรคุณลูกค้าท่านนี้ก็คิดจะซื้อแพ็เกจและสนใจในแพ็กเกจของทางร้าน ซึ่งพี่ใหม่ก็แนะนำว่าถ้าสนใจให้ไปดูรายละเอียดที่ร้านขับพี่ใหม่ได้พี่ใหม่ก็นัดลูกค้าท่านนี้ไปเจอที่ร้านพออีกวันหนึ่งลูกค้าท่านนี้ก็มาที่ร้านแต่ว่ามาดึกมากมาตอนที่ร้านปิดแลว้วลูกค้าก็บอกว่าตัดสินใจจะซื้อแพ็กเก็ตที่ร้านหลังจากนั้นพี่ใหม่ก็นัดในวันรุ่งขึ้นคุณลูกค้ามาลองชุด เลือกของจำรวยและการแต่งงานแต่ที่แปลกก็คือเวลาที่คุณลูกค้ามาที่ร้านจะเดินทางมาคนเดียวตลอดและไม่เคยพูดถึงบุคคลอื่นเลยมาคนเดียวซื้อคนเดียวจัดการทุกอย่างคนเดียวเพราะโดยปกติแล้วคนจะแต่งงานจะต้องมาเป็นคู่แล้วถามแฟนก่อนว่าชอบไหมเอาแบบนี้ไหมแต่ตอนนั้นพี่ใหม่ก็เข้าใจว่า อาจด้วยภารกิจของอีกฝ่ายหนึ่งและจะเป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากถ้าถามลูกค้าว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำไมถึงไม่มาเพราะแต่ละคนอาจมีเหตุจําเป็นพี่ใหม่ก็เลยจะไม่ถามและก็คิดว่าอีกวันหนึ่งเจ้าบ่าวก็คงจะเดินทางมาด้วยเพราะเป็นวันที่จะต้องเลือกชุดการเลือกชุดนั้นก็จะมีชุดที่ใสในตอนเช้ากับชุดที่ใสตอนกินเลี้ยงอย่างละสองชุด ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวพอถึงวันที่นัดเวลาประมาณ5้าโมงเย็นคุณลูกค้าก็มาแต่มาคนเดียวเหมือนเดิมคุณลูกค้าเข้าไปลองชุดหลังจากลองไปได้สักพักพี่ใหม่ก็ถามว่าคุณลูกค้าคะไม่ทราบว่าเจ้าบ่าวจะสะดวกวันไหนคะพอดีว่าจะได้ตัดชุดทันวันที่คุณลูกค้าใส่ไปถ่ายรูปนะคะคุณลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเธอจะเลือกชุดไว้เองพี่ใหม่ก็พาคุณลูกค้าไปเลือกชุดเจ้าเบา่าคุณลูกค้าก็เลือกไวสองชุดแล้วก็มาเลือกรายละเอียดเกี่ยวกับของชำรด้วยแล้วก็การแต่งงานคุณลูกค้าก็ระบุไว้เลยว่าที่ไหนเวลาไหนวันไหนเธอจัดการทั้งหมดคนเดียวพี่ใหม่ก็ถามว่าจะถามเจ้าเบา่าทีไหมคะว่าจะสะดวกมาถ่ายรูปหรือเปล่า เพราะว่าคุณลูกค้าท่านนี้เร่งให้ถ่ายรูปเร็วที่สุดจริงๆแล้วในแพ็กเกจจะต้องถ่ายรูปที่สตูดิโอของร้านแต่คุณลูกค้าขอให้ไปถ่ายนอกสถานที่ซึ่งเป็นบ้านของคุณลูกค้าท่านนี้พี่ใหม่ก็เลยถามว่าเจ้าบ่าวสะดวกวันไหนคะจะได้เตรียมชุดเตรียมอะไรไปคุณลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรมานัดเองไม่ต้องโทรมาถามว่าไปส่งที่ไหน พี่ใหม่ก็เลยไม่กล้าถามต่อเพราะคุณลูกค้าได้พูดดักเอาไว้หมดแล้วพี่ใหม่จึงได้แต่กเก็บความสงสัยเอาไว้หลังจากที่ส่งลูกค้ากลับแล้วพี่ใหม่ก็กลับมาคุยกับผู้จัดการร้านว่าพี่พี่ว่าแปลกไหมทำไมมนเลือกชุดแต่งงานก็มาคนเดียวรู้ใจสามีขนาดนั้นเลยเหรอหรือเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอถึงเวลาก็ไม่มีใครกล้าถาม เพราะว่าคุณลูกค้าเป็นคนที่ไม่คุยเล่นดูจริงจังแม้กระทั่งเวลาลองชุดเขาก็ไม่ถ่ายรูปเก็บไว้เลยพอลองชุดใส่ได้ก็โอเคจบไม่มีการมาถามว่าสวยไหมเหมาะไหมไม่มีที่ใหม่บอกว่าเป็นลูกค้ารายแรกเลยที่ทำงานด้วยแบบไม่เลือกมาไม่เรื่องเยอะจนเวลาประมาณสามทุ่มของวันนั้นคุณลูกค้าก็โทรมาคอนเฟิร์ม เรื่องของชำรวยและกาดเป็นสีนั้นสีนี้แบบนั้นแบบนี้ส่งให้ที่นี่นะแล้วคุณลูกค้าก็บอกอีกว่าเรื่องชุดแต่งงานชุดเช้าไม่เอาแล้วนะขอชุดกินเลี้ยงชุดเดียวทั้งของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเพียงแต่ว่าทำพิเศษขึ้นมาหน่อยให้เอาดอกกุหลาบสดมาติดที่ชุดเขาด้วยขอเป็นกุหลาบสดไม่เอากุหลาบปลอม ติดมาในวันพรุ่งนี้ที่จะถ่ายรูปฮิมายก็เลยบอกกับคุณลูกค้าไปว่าถ้าไปถ่ายนอกสถานที่กลัวกุหลาบจะเหี่ยวมันจะเซตตัวได้ไม่นานคุณลูกค้าก็บอกไม่เป็นไรเขาอยากได้แบบนี้อยากได้ดอกกุหลาบที่เป็นของจริงฮิมายก็เห็นว่าลูกค้าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องมากก็เลยโอเคทาตามที่ลูกค้าต้องการ หลังจากนั้นพี่ใหม่ก็ไปหาซื้อดอกกุหลาบพอถึงวันที่จะไปส่งช่วงเช้าก็นัดกับตากล้องรัดโฮคอนเฟิร์มกับลูกค้าว่ากำลังจะเดินทางไปถึงในอีกส5้านาทีแต่พอไปถึงที่หน้าบ้านคุณลูกค้าก็โทรบอกว่าชุดที่สั่งให้ทําให้แขวนไว้ที่ประตูนหน้าบ้านและยกเลิกกองที่จะถ่ายรูปเวด t i n หมดเลยไม่ต้องถ่ายแล้ว เดี๋ยวเขาจะจัดการเองเพราะแขวนเสร็จก็ให้กลับไปได้เลยไม่ต้องรอเขาออกมาเดี๋ยวจะมีแม่บ้านไปรับคำพูดของคุณลูกคานิ่งๆดูเป็นผู้ใหญ่มากพี่ใหม่ก็เลยบอกกับลูกค้าให้รีบมาเอาเพราะว่าชุดเขาฉีดตัวเซตดอกไม้ไว้ได้ไม่นานไม่งั้นเดี๋ยวดอกไม้ที่คุณลูกค้าสั่งไว้จะเหี่ยวคุณลูกค้าก็บอกไม่ต้องกังวล เดี๋ยวจะให้คนไปรับลูกนี้เช้าให้มารับชุดแล้วก็เอาของชํารวยและกาดมาด้วยเลยที่ใหม่ก็กลับมาที่ร้านแบบงงๆคุณลูกค้าเขาจ่ายเงินค่าแพ็กเกจเกือบเกือบห้ามื่นแล้วยกเลิกรายการออกไปเยอะมากเหลือแค่สามอย่างคือชุดแต่งงานกาดและของชํารวยนอกนั้นไม่เอาอะไรเลยพอถึงช่วงเวลากลางคืน พี่ใหม่ก็เข้าไปแพ็กของชำรวยที่จะต้องส่งให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้ระหว่างที่นั่งแพ็กของอยู่นั้นก็มีน้องอีกคนเดินเข้ามาบอกว่าพี่ใหม่นั่งแพ็กของหรอคะเดี๋ยวหนูช่วยสักพักน้องคนนั้นก็เดินเข้าไปที่หลังลานแล้วก็เดินออกมาบอกพี่ใหม่ว่ายังมีลูกค้าอยู่หรอคะหนูเข้าไปปิดไฟเห็นลูกค้ากาลังลองชุดอยู่พี่ใหม่ก็ตกใจ แล้วก็ตอบไปว่าไม่น่าใช่นะร้านปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วน้องคนนั้นก็ยืนยันว่าเห็นลูกค้าคนหนึ่งกำลังลองชุดอยู่ในห้องถ้าไม่เชื่อพี่ใหม่ลองเข้าไปดูสิที่ห้องลองชุดของร้านนั้นค่อนข้างใหญ่ด้านหลังจะเป็นชุดแต่งงานแขวนเรียงเอาไว้ให้ลูกค้าเลือกไว้ลองใส่และก็จะมีกระจกอยู่ทั้งห้องเลย พอพี่ใหม่เดินไปยังไม่ทันถึงห้องก็ได้กลิ่นดอกไม้มันเป็นกลิ่นดอกกุหลาบที่อาดน้ำยาที่เซตไว้ให้กับคุณลูกค้าพี่ใหม่ค่อยๆเดินเข้าไปดีห้องในห้องก็เปิดไฟดาวไลท์อยู่สองดวงพอเข้าไปในห้องก็เห็นคุณลูกค้าท่านนี้ที่ไปส่งชุดให้มาตอนเช้ากำลังลองชุดอยู่เพราะพี่ใหม่จาได้เธอจาชายกระโปรง จำกลิ่นได้หมดเลยเพราะพี่ใหม่เป็นคนทําเองกับมืออารมณ์ในตอนนั้นพี่ใหม่ตกใจมากคิดว่าอาจจะเข้ามาตอนที่พี่ใหม่ไม่อยู่ก็ได้พอเดินเข้าไปใกล้ๆขนาดที่พี่ใหม่กำลังเอื้อมมือจะเข้าไปทักคุณลูกค้าก็สังเกตเห็นว่าคุณลูกค้าท่านนี้ไม่มีเงาในกระจกมีแต่เงาพี่ใหม่คนเดียวพี่ใหม่ตกใจช็อก ไงหลังล้มลงไปเลยจนน้องที่มาบอกพี่ใหมท่ทีแรกได้ยินเสียงก็วิ่งเข้ามาแล้วน้องก็พาออกไปข้างนอกและโทรถามผู้จัดการร้านมากันหมดตอนนั้นน้องเขาไม่รู้อะไรก็เลยถามพี่ใหม่ว่าลูกค้าคนนั้นหายไปไหนแล้วเขาออกทางไหนเขาออกหลังร้านแล้วเหรอแต่พี่ใหม่กลับตอบว่าหนูขอลาออกผู้จัดการก็บอก ไม่เป็นอะไรใจเย็นๆก่อนพี่ใหม่ก็คุยไปร้องไห้ไปแต่เหมือนไม่มีใครเชื่อพี่ใหม่ผู้จัดการร้านก็บอกพี่ใหม่ว่าทําไมไม่สบายใจเดี๋ยวพี่จะดําเนินเรื่องต่อเองไม่อยู่ก่อนรอฟังคําตอบก่อนมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ใหม่คิดก็ได้เช้าวันต่อมาพี่ใหม่ไม่ได้ไปด้วยผู้จัดการร้านโทรบอกคุณลูกค้าว่า กำลังเจกการและของชําร่วยไปส่งให้ตะโทรเข้าไปที่เบอร์มือถือของคุณลูกค้าคก็ากาไม่มีคนรับเลยโทรไปที่เบอร์บ้านแทนก็มีคุณแม่ของคุณลูกค้ารับสายคุณแม่ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวค่อยมาส่งของช่วงเย็นได้ไหมพอดีที่บ้านกําลังมีงานเดี๋ยวค่อยมาส่งช่วงเย็นนะไม่สะดวกรับแขกจริงๆผู้จัดการร้านก็โล่งใจ แล้วบอกกับพี่ใหม่ว่านั่นไงเขากำลังจัดงานกันที่ใหม่เห็นอาจจะตาฝาดก็ได้พี่ใหม่ก็สวนกลับมาเลยว่าพี่เขาจะจัดงานได้ยังไงของชารุ่ยก็ยังอยู่การ์ดแต่งงานก็ยังอยู่แล้วผู้จัดการร้านก็เงียบไปพักหนึ่งเออวะของชารุ่ยกับการ์ดอยู่นี่แล้วเขาจัดงานอะไรวะผู้จัดการร้านก็บอกเขานัดตอนเย็นนี้ให้ไปส่งของ เดี๋ยวไปได้วยกันเขานัดห้าโมงเย็นพี่ใหม่กับผู้จัดการร้านก็ไปตอนห้าโมงตามที่นัดแล้วก็รออีกประมาณชั่วโมงครึง่งรถคุณแม่ของคุณลูกค้าก็มาจอดที่หน้าบ้านพี่ใหม่ก็เลยบอกว่าเอาของชำรวยและเอาการ์ดมาส่งให้เป็นของคุณลูกค้าท่านนี้คุณแม่ก็ถามว่าน้องเขาสั่งไว้ใช่ไหมผู้จัดการร้านก็ถามว่า เป็นไงบ้างคะถ่ายรูปเสร็จหรือยังคุณแม่ก็บอกนัดคืนชุดวันนี้หรอแม่ไม่สะดวกคืนชุดวันนี้นะพี่ผู้จัดการร้านก็บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะยังไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวของเที่ยวมาส่งแม่จะเอาไปที่วัดชุดแต่งงานแพงไหมมีอะไรคะทำขาดหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาคิดตามราคาความเป็นจริง คุณลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งชุดค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าคงคืนให้ไม่ได้น้องเขาใส่อยู่ตอนนี้น้องเขาอยู่ที่สถาบันนิติเวชน้องเขาผูกคอตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทางตำรวจและสถาบันยังไม่คืนชุดแม่ไม่รู้เจ้าชุดคืนหนูได้ยังไงแม่จำเป็นจะต้องซื้อชุดนั้นต่อแต่ว่าชุดเจ้าบ่าวเขาไม่ได้ใส แม่ขอโทษด้วยที่ไม่ได้รับสายในตอนเช้าและที่ไม่ให้หนูมาในตอนนั้นเพราะว่ากำลังเคลื่อนย้ายศพไปโรงพยาบาลสุดท้ายพี่ใหม่และผู้จัดการร้านก็ได้ไปงานศพแทนของชำร่วยก็มาเป็นของชำร่วยในงานศพการแต่งงานคุณแม่ก็เก็บเอาไว้แต่ว่าสถานที่จัดงานศพเป็นสถานที่เดียวกันที่จะจัดงานแต่งงาน ส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณลูกค้าผูกคอตายก็เพราะว่าคุณลูกค้าเรียนจบมาแฟนเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วแฟนก็ได้รับปากว่าจะแต่งงานด้วยแต่ให้เธอเรียนจบก่อนจนทำงานวุฒิภาวะมากพอที่จะแต่งงานแล้วเวลาก็ผ่านมาเกือบเกือบ9้าปีแฟนของเธอก็ไม่มาแต่งงานกับเธอสักทีจนมารู้ตอนหลังว่า ผู้ชายคนนี้ได้แต่งงานกับคนอื่นไปแล้วทำให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากจนคิดสั้นฆ่าตัวตาย 八字ยง